าต่อไปศึกษาในเรื่องของสัมมาทิฏฐิที <c oughs> นี้นที่จริงจะพูดเชื่อมโยงเกี่ยวในเรื่องขององค์มรคนี่แหละมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นในองค์มรแปดที่จริงมันอยู่ในหมวดของโพธิปักยธธรรม37ประการด้วยซ้ไปะมีสัมมาทิฏฐิหรือมรเนี่ย มาจากคาว่าฆ่าซึ่งกิเลสทั้งหลายอยู่แล้วก็ไปสู่พระนิพพานได้ธรรมชาตินี่เพราะเหตุนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่ามรคธรรมชาติที่เป็นเครื่องทําลายกิเลสจะไปสู่พระนิพพานหมายถึงกลุ่มธรรมะที่เป็นเหตุแห่งการละ ก, กิเลสและเป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานเนี่ยจึงเรียกว่ามรทีนี้พูดถึงในเรื่องขององค์มรเนี่ยมีตัวสมมาทิฏฐิเป็นต้น นี้จะมาทําความเข้าใจในเรื่องของสัมมาทิฏฐิก็แยกเป็น2ระดับทัศนะความคิดเห็นแนวความคิดทฤษฎีความเชื่อถือความนิยมค่านิยมจําพวกที่เชื่อหรือยอมรับรู้การกระทําและผลของการกระทําของตนหรือสร้างความสํานึกในความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเองเนี่ยลักษณะอย่างนี้คือเป็นตัวสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้น ถ้าใช้ภาษาลงไปเขาเรียกกรรมสกตาสมาธิฐิปัญญาที่ไปเข้าไปฉลาดในเรื่องเหตุและผลเรื่องกรรมและผลของกรรมอันนี้เป็นทัศนคติเป็นแนวความคิดเป็นทฤษฎีเป็นความเชื่อถือเป็นค่านิยมที่เป็นไปในส่วนของจริยธรรมพื้นฐานเลยนะีที่เชื่อและยอมรับรู้การกระทําและผลของการกระทําของตนอันนี้เป็นสร้างเป็นการสร้างความสํานึกในความรับผิดชอบต่อกรรำต่อการกระทําตนเองและต่อผลที่จะต้องได้รับ ผลของการการะทําที่ตัวเองจะต้องได้รับยังไงเป็นต้นอันนี้การจิตสํานึกหรือทัศนคติความเชื่อความเห็นตรงนี้ที่มันถูกต้องตามความเป็นจริงในชั้นแนวพื้นฐานตรงเนี้คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี่แทบจะหายากแล้วประการต่อมาคือทัศนะ์แนวความคิดที่มองเห็นความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายตามธรรมดาของเหตุปัจจัยอ้ น, นี้ยากไอ้ น, นี้ยากเพราะการที่จะเข้าคําว่าธรรมดาเนี่ยดูเหมือนไม่ยากแต่มันเห็นยาก ที่จะเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามธรรมดาเป็นไปตามเหตุปัจจัยความรู้ความเข้าใจเขาสิ่งทั้งหลายตามสภาวะของมันเน่หรือตามที่มันเป็นมันเป็นอย่างไรก็รู้และเข้าใจตามนั้นไม่เอ็นเอียงไปตามความชอบใจหรือไม่ชอบใจของตนเองหรือตามที่อยากจะให้เป็นหรืออยากไม่ให้เป็นทั้งหลายเหล่านี้นั้นมันก็เลยมีปัญญาสองระดับระดับสุดที่2อเนี่ยก็เรียกว่าโลกุตระสัมมาทิฐิหรือ เป็นปัญญาที่สอดคล้องตามแนวของสัจจะสี่ปัญญาที่จะเข้าไปรู้ทุกเหตุให้เกิดทุกความดับทุกปฏิปทาข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกเนี่ยมันก็จะต้องรู้สิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นรู้ธรรมดาว่าสิ่งทั้งหลายมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยอย่างไรเช่นเรามองกันไปที่กระแสะชีวิตของมนุษย์หรือของบุคคลทั้งหลายเหล่านี้มันก็เห็นความจริงของกระแสะชีวิต จะเป็นเห็นกระแสะชีวิตว่ายกตัวอย่างเช่นเห็นด้วยความเป็นรูปประคันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณย่ ana, ยอลงมาก็คือส่วนของรูปรธรรมส่วนหนึ่งส่วนของนามรธรรมส่วนหนึ่งและไม่ใช่เห็นเพียงแค่นั้นยังไปรู้ด้วยเนว่ารูปธรรมก็ดีหรือนามธรรมก็ดีที่เรียกว่ากระแสะชีวิตเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยอย่างไรมันถึงสืบต่อเกิดดับสืบต่ออย่างไรแล้วรู้ถึงขนาดว่าเหตุปัจจัยที่มันดําเนินไปผิดดําเนินไปถูกยังไงมันรู้ด้วยถ้าไปรู้ความจริงของสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นด้วยเช่นรู้ว่า อย่างยกตัวอย่างเช่นกำดำเนี่ยสัตว์ทั้งหลายที่ประกอบกายยุจริตวิจีทุจริตมโนโทุจริตเนี่ยเป็นมิจฉาทิฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตทรกไงเนี่ย เ, ยเข้าเห็นกระแสะชีวิตที่มีทุจริตนะนำพากระแสชีวิตไปสู่ความเสียหายเดือดร้อนอยังไงกำขาวสัตว์ที่ประกอบด้วยกายยโสจิตวิจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติดเตียนพริยาเจ้าเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก กายแตกเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์อย่างไรเนี่ยก็เห็นกระแสชีวิตเป็นไปตามตลอดสายอย่างนี้กรรมทั้งดําและขาวมีวิบากทั้งดําและขาวคละเข้ากันก็เห็นกระแสชีวิตตามความเป็นจริงด้วยนะว่าเดี๋ยวกระทำกรรมชั่วเดี๋ยวก็ทํากรรมดีเดี๋ยวกระทำเดี๋ยวก็คิดชั่วเดี๋ยวก็คิดดีเดี๋ยวกระทำชั่วเดี๋ยวก็ะทำดีเดี๋ยวก็พูดชั่วเดี๋ยวก็พูดดีทั้งหลายสลับคละเข้าเนี่ยแล้วก็เห็นกระแสชีวิตที่ลุ่มๆ่มเดินดอนเดี way, <S <s mm ๋ยวกรรมเดี function, product, the product, the so sah, <ooo. sh> ๋ยวกรรมดําให้ผลเดี๋ยวกรรมขาวให้ผลสัับคเเ้้าากนอยย่งี เหมือนน้ำใสบ้างน้ำคราม บ, บ้างน้ำใสบ้างน้ำคราม บ, บ้างมันก็ได้รับผลของาการกระทําของตนเองไปอย่างไงเป็นต้นมันก็มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็เข้าใจกรรมที่ไม่ดําไม่ขาวมีวิบากที่ไม่ดําไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเห็นกลุ่มที่กําลังเจริญสติปัฏฐานสมมปัฏฐานอธิบาทอินทรพระพุทธชงอริยมรรคเห็นคนที่กําลังดําเนินชีวิตไปตามศีลสมาธิปัญญาพฤติกรรมไม่เป็นไปกับศีลสภาพจิตใจเป็นไปกับสมาธิทัศนคความเห็นไม่เป็นไปกับปัญญาเป็นการปฏิบัติตรง นะตรงตามมัชฌิมาปฏิปทาตรงตามเป็นแถวเป็นแนวจริงๆไม่ออกนอกทางเลยเป็นอุชุดปฏิปันธ์นะบุคคลเนี่ยเป็นบุคคลที่ปฏิบัติตรงนะไม่คดไม่งอเหมือนหางไถเหมือนเสี้ยวพจันทร์เป็นต้นเหล่านี้หรือไม่เหมือนปัสสาวโคอย่างที่บอกไว้ใช่ไหม ไม่เดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีไม่ใช่เลยเป็นการปฏิบัติตรงเป็นแถวเป็นแนวดําเนินไปสู่มรคาตามมรคาของขีณาเจ้ามีอนุปาทานพันธิพาณการสิ้นจากกิเลเและกองทุกเป็นจุดหมายอย่างแท้จริงเลยนี่กรรมที่ไม่ดําไม่ขาวมีวิบากที่ไม่ดําไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมอย่างแท้จริงเห็นคนกําลังเจริญสติปัฏฐาน4ี่เจริญสมัมมาปัฏฐาน4ี่อธิบาทอินทรพระพโธชงอริยมรคเดินไปตามมรคอริยมรคมีองค์8อย่างแท้จริงอย่างเงี้ยเห็นโลกและชีวิตตามที่มันเป็น ไม่ใช่ไปเห็นโลกเห็นชีวิตตามใจที่เราอยากให้มันเป็นโลกและชีวิตเป็นอย่างไรก็เห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นเกิดจากเหตุปัจจัยอย่างไรก็รู้ก็เข้าใจในลักษณะอย่างนั้นเมื่อมันเข้าใจอย่างนั้นอย่างแท้จริงเลยอย่างกรณีแบบนี้ก็เรียกว่าเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตตามตามแนวของเหตุปัจจัยที่มันสัมพันธ์กันอย่างไรเป็นต้นไม่เอาความชอบหรือไม่ชอบไปดูหรือไปมองเลยมองด้วยใจที่เป็นกลางและเป็นธรรมเนาะ มีมีปัญญาเป็นตัวคิดอ่านในการมองและเข้าใจจริงๆว่ากระแสชีวิตดําเนินแบบนี้ทุจริตอย่างนี้มีจุดหมายคืออบายทุกติวิธิบัตินโลกกระแสชีวิตที่ดําเนินอย่างนี้มีกายาสุจริตวจีสุจริตนี้มีสุขติโลกสวรรค์เป็นเป็นจุดหมายถ้าคักเข้ากันเดี๋ยวก็ไปสุขติเดี๋ยวก็ทุกติแล้วก็เห็นกระแสชีวิตที่ดําเนินไปถูกทางเป็นอุชุปัติปันนาบุคคลเป็นเป็ น, ปนสุขปฏิปันนาบุคคลเป็นคนปฏิบัติดีจริงๆเป็นไปตามอาริยมรตมีองค์8จริงๆ ปฏิบัติตรงจริงๆไม่ออกนอกทางของมัชฌิมาปฏิปทาเป็นการปฏิบัติยใยะปฏิบัติใยยะปฏิปันน้บุคคลจริงๆเป็นการปฏิบัติเพื่อจะแทงตลอดอริยสัจจะทำทั้ง4เพื่อพ้นทุกข์จริงๆแล้วก็เป็นสามีปฏิปันธ์หน้าบุคคลจริงๆเป็นการปฏิบัติเพื่อสมควรสมควรแก่การที่จะได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาสมควรที่จะได้ได้อริยมรรค สมควรที่ประชุมอริยมรตมีองแปดได้จริงๆสมควรจะบรรลุพระนิพพานจริงๆเป็นการปฏิบัติที่สอดคล้องและสมควรก็เรียกว่าเป็นธรรมานุพันธ์ธรรมะปฏิัติประพฤติธทำตามสมควรแก่โลกุตละธรรมประพฤติทำน้อยคลอยตามธรรมะใหญ่ๆจริงๆเริ่มต้นจากเล็กๆแล้วก็ไม่หยุดติดต่อได้ต่อเนื่องเพื่อจะเป็นปัจจัยแก่การแทงตลอดกิเลสและกองทุกข์โอ้โหปฏิบัติเนี้ยเป็นปฏิบัติสมควรสมควรแล้วที่จะบรรลุอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเี้เป็นต้น การที่เข้าไปรู้อย่างนี้เขาเรียกทัศนาความเห็นอย่างนี้มันจะแยกออกเป็น2ส่วนนะส่วนที่เข้าใจในขั้นพื้นฐานกรรมและผลของกรรมที่เป็นกรรมดํากรรมขาวกรรมทั้งดําและขาวค้าเข้ากันส่วนกรรมที่ไม่ดําไม่ขาวมีวิบากที่ไม่ดําไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมไปตื่นมรรคกรรมตรงนี้ก็จะเข้าใจอย่างนี้เขาเรียกว่าปัญญาก็เลยแยกเป็น2ระดับระดับโลกียะกับโลกุตละพอมองเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นนี่เขาเรียกสัมมาทิฐิฉะนั้นสัมมาทิฐิเหล่านี้นี่แหละถามว่าประการต่อมาก็พูดถึงในเรื่องของการ ที่แหล่งที่มาเบื้องต้นของของการที่จะฝึกฝนกระแสชีวิตทางด้านพฤติกรรมจิตใจและปัญญาที่เรียกว่าการศึกษาเนี่ยศึกษาการฝึกฝนการพัฒนาเนี่ยนะหรือปัจจัยปัจจัยของสมาธิิปัจจัยที่ทําให้เกิดสมาธิิมี2 อ, อย่างนะหนก็คือปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกในภาษาพระเรียกว่าปัจโตโคสะปัจโตโคสะโโคก็คือว่าเป็นเสียงจากผู้อื่น เสียงจากผู้อื่นก็คือการได้รับการถ่ายทอดหรืออิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมทางสังคมเช่นมีกาลยานามิตรภายนอกถ้าโดยหลักอย่างแท้จริงก็คือว่านั่นแหละมีพระเจ้าเป็นกาลยานามิตรพระเจ้าบอกดก่อน น, น, นันพุทธบริษัท4มีตถาคตเป็นกาลยานามิตรแล้วพุทธบริษัท4ี่ที่มีความเกิดเป็นธรรมดาก็จะพ้นจากความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดาก็จะพ้นจากความแก่เป็นธรรมดานี้ มีความเจ็บไข้มีความตายเป็นธรรมดาก็จะพ้นจาความเจ็บไข้และวพ้นความตายก็จะเข้าถึงอนุ ป, ปาทาปริณีพานเป็นตนได้ก็เพราะอาศัยพุทธิย่าเป็นยอดกัลยาณมิตรนั่นก็ชัดเลยและพระนนอนุนก็บอกโอ้กัลยาณมิตรที่สุดยอดจริงๆนะเป็นครึ่งหนึ่งของชีวิตที่ประเสรศิฐพุทธิเจ้าอาโนอนเธออย่าตัด อ, อย่างนั้นเธอย่าพูดอย่างนั้นกัลยาณมิตรภายนอกนะเป็นทั้งหมดของกระแสชีวิตที่ประเสริฐที่ดีงามไม่ใช่เป็นครึ่งเดียวของชีวิตฉะนั้นชีวิตของกษัตริย์ทั้งหลายที่จะเข้าถึงควาาามมปรระเเสิิฐลลดีงงทั้หย กัลยาณมิตรสําคัญที่สุดเป็นทั้งหมดถามว่าเป็นทั้งหมดไงคนที่จะบรรลุอริยมรรคพระพรหมจรรย์คนที่จะบรรลุเป็นพระโสดาบันสก่าธาตุนาคาเป็นพระอรหันถ้าขาดเสียกัลยาณมิตรภายนอกแล้วเป็นไปไม่ได้เลยไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้เลยที่มนุษย์จะคิดเองได้แล้วบรรลุมีอยู่บุคคลสองกลุ่มคือพระพุทธเจ้ากับพระปัจเจกพุทธเจ้าเท่านั้นที่ไม่ต้องอาศัยกัลยาณมิตรภายนอกนอกนั้นน่ยต้องอาศัยหมดแม้พวกเธอทั้งหลายต้องบอกว่า เห็นไหมการยานามิตรเป็นทั้งหมดของชีวิตอันประเสริฐหรือเป็นทั้งหมดของมรรคพรหมจันทร์ถ้าปราถนาจะเป็นพระโสดาบันต้องอาศัยการยานามิตรเป็นพระสะกาทาคานาคาหรือเป็นพระสานต้องอาศัยการยานามิตรเท่านั้นถ้าขาดเสียซึ่งการยานามิตรจบเฮเลยไม่สามารถที่จะบรรลุชีวิตอันประเสริฐได้เข้าถึงความเป็นผู้เลิทเทเ่ที่สุดเจริญที่สุดประเสริฐที่สุดอย่างที่พระเจ้าได้เป็นต้นทีนี้เอาละทีนี้ปัจจัยภายนอกที่เรียกปารโตโฆสามันไม่ใช่แค่การยานามิตร ถ้าเราจะอาศัยแห่งการ เ, ออเข้าถึงชีวิตที่ประเสริฐที่ดีงามทั้งหลายแหล่งข้อมูลความรู้ใันปัจจุบันแล้วก็ต้องดูว่าอุปกรณ์การศึกษาของเราทั้งหลายเป็นปัจจัยเอื้อไหมสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมที่มาทางตาทางหูที่จะทั้งให้เรารับรู้ทางใจทั้งหลายมันเอื้อต่อการที่จะทําให้เรานั้นเน่ยพื่อฝึกฝนพฤติกรรมทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยดเนินไปตามมรรคคาของพระเจ้าได้จริงหรือไม่นั่นก็ดูอีกทีนี่เราปัจจัยภายนอก ประการต่อมาคือปัจจัยภายในไอตัวปัจจัยภายในเนี่ยาภาษาพระเรียกว่าโยนิโสมนัสิการะโอ้โหระแปลว่าการทําไว้ในใจโดยแยบคายการคิดถูกทางการคิดถูกวิธีนีการคิดอย่างมีอุบายใช่ไหมถ้าการคิดอย่างมีอุบายเขาเรียกอุปา ย, ยะมนัสิการการคิดแบบถูกทางเขาเรียกปัฏฐามนัสิการการคิด สาวหาเหตุปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้เขาเรียกว่าการณามนัสิการการคิดแบบปลุกเร้าคุณธรรมทั้งหลายเขาเรียกว่าอุ ป, ปาทกรมนัสิกานอย่างนั้นเถอะจะใช้ศัพท์นิดหนึงอุ ป, ปายามนัสิการก็คือการคิดยังไงการคิดให้สอดคล้องตามแนวของสัจจะทั้งสี่ น, นก็คิดแบบมีอุบายคิดให้สอดคล้องตามแนวของทุกเขียนให้เกิดทษความดับทุกปฏิปทาข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกการคิด ที่ย่างลงอริยสัจจะทำทั้ง4ประการนีเป็นอุปยมนาสิกานะหรือถ้าคิดเจาะสภาวธรรมก็มี2ส่วนนะนคิดให้เข้าเห็นปัจจารลักษณะคือลักษณะเฉพาะตัวของนามธรรมารูปธรรมนั้นๆเช่นกระแสะชีวิตที่เป็นส่วนของรูปธรรมก็รู้ว่าลักษณะของรูปธรรมเนี่ยมีลักษณะอย่างไรรูปธรรมเกิดขึ้นแล้วเขาทากิจทาหน้าที่ของเขาอย่างไรผลปรากฏ ของรูปธรรมเมื่อเขาทำเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแล้วมีผลปรากฏอย่างไรเหตุใกล้ของรูปธรรมนั้นๆมีอะไรเป็นเหตุใกล้อย่างเงี้ยหรือนา ม, มารำเหมือนการยกตัวอย่างเช่นเวทนาเนี่ยมีลักษณะแห่งการเสวยอารมเป็นลักษณะกิจของเวทนาการกินลดของอารมเป็นกิจอย่างเงี้ยนะผลปรากฏของเวทนาก็คือได้รับเสวยผลและนะสุขทุกข์ทั้งหลายที่ได้รับเกิดขึ้นเนี่ยเป็นผลปรากฏ มีผัสสะเป็นเหตุใกล้อย่างเงี้ยการเข้าไปเจาะลุทะลุทะลวงของกลุ่มนามาทำเฉพาะตัวของเขาได้อย่างนี้เป็นต้นนั้นไม่ว่าจะเป็นผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกขตาม่ว่าจะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขามีลักษณะมีหน้าตาของเขาเป็นอย่างไรเขาทํากิจอย่างไรอาการคือผลปรากฏเป็นอย่างไรเหตุใกล้เป็นยังไงก็ต้องไปรู้เฉพาะตัวของเขาการรู้ลักษณะนี้เป็นเรคิดอย่างมีอุบายหรือสามารถที่จะยก เข้าไปเห็นความจริงของสภาวธรรมเหล่านี้ว่าไม่เที่ยงเป็นยังไงเป็นทุกข์เป็นยังไงเป็นอนัตตายังไงตกอยู่ในกฎไตรลักษณ์ยังไงตกอยู่ในกฎความจริงของสรรพสิ่งทั้งหลายที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีการแปลปวนเป็นธรรมดา ย, ยัางไงการ <S <S <S <S ไปเห็นความจริงในลักษณะนี้เข้าในหลักของอุปายรมรรสการหมดเลยนีกบบยนย่การคิดแบบมีอุบายเนี่เข้าใจไหมฮะงี้ยากไหมการคิดแบบมีอุบายเนี่ยแต่คิดได้ไหม คิดได้ไหมเรามองกระแสชีวิตมองความจริงของสิ่งทั้งหลายมันก็มีจากการมนุิยการที่จะคิดเพื่อจะทํานี่ก็เรียกปัใจจัยเกิดปัญญาถ้าไม่มีอุบายในการที่จะมนุษย์การหรือใส่ใจโดยแยบคายแบบนี้คิดให้มีอุบายอย่างนี้สัจจะสี่ก็ไม่ปรากฏต่อยานปัญญาฉะนั้นการที่จะให้สัจจะสปรากฏตยานปัญญาหนึ่งอาศัยกัลยาณมิตรเป็นปารโทโคสะคือฟังฟังข้อมูลให้เกิดความเข้าใจ พอฟังฟังฟังฟังฟังฟังเบียเสร็จปุ๊บแล้วเก็บข้อมูลนั้นเบียเสร็จปุ๊บก็มนัสิการต่อการในขณะที่มนัสิการต่อเป็นโยนิโสมานัสิกานพอเป็นมนโยนิโสมานัสิการเบียเสร็จปุ๊บพอคิดเจาะลึกเข้าไปเรื่อยๆน่ะเข้าปัญญาเกิดไอ้ปัญญะสมาธิก็เกิดปัญญาก็เกิดเหมือนสุตตานี่นะสุตตามยาปัญญาบอมนัสิกานการฟังใหม่ๆก็คือใช้โยนิโสนี่แหละเป็นตัวฐานในการฟัง เมื่อเราฟังในเรื่องใดๆหนึ่งเรื่องนั้นๆก็คือจําได้เพราะจำได้ก็มนัิการใส่ใจในสิ่งที่ฟังก็จะเกิดข้อมูลเกิดความรู้ขึ้นมาก็เป็นปัญญาระดับสุดตากไม่ใช่แค่นั้นหลังจากนั้นไปตรึกต่อไขควนกว่ามนัิการก่อนะเข้านะเข้าความรู้มันกว้างขึ้นมันลึกขึ้นมันละเอียดขึ้นกว่าที่ได้ฟังมานี่เป็นจินตมรยปัญญาไม่ใช่แค่นั้นอาศัยสุดตากและจินต์ตาพนวกกัน อาศัยโยนิโสมนัสการเป็นฐานในการวิจัยต่ออีกจนสามารถประจักษ์เห็นได้ด้วยญาณปัญญาอย่างแท้จริงเหมือนเห็นแก้ววั น, นีบนฝ่ามือปุ๊บเนี่เป็นภาวนามยปัญญาขึ้นมาเลยอย่างนี้เป็นต้นมองเห็นยังเนีย่ยลักษณะอย่างนี้ก็คือเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดสัมมาทิฐิก็อาศัยกัลยาณมิตรภายนอกแล้วอาศัยโยนิโสมนัสการภายในเป็นตัวยึดโยงและเชื่อมโยงกันและนําไปสู่สัมมาทิฐิในทุกๆระดับไม่ว่าจะเป็นโลกีสัมมาทิฏฐิหรือโลกุตราสัมมาทิฏฐิ ต้องอาศัยโยนิโสมนัสิการที่เชื่อมโยงกับกัญยาณมิตรภายนอกยังไหเห็นก็จึงบอกว่า1นึปารโตโคสะก็เป็นกัญยาณมิตรภายนอกโยนิโสมนัสิการเป็นกัญยาณมิตรภายในทั้ง2ปัจจัยนี้เอื้อต่อการที่จะทําให้เกิดสัมมาทิฐิคือเห็นความเห็นที่ถูกต้องยัไม่ว่าจะเป็นกรรมสักตาสัมมาทิฐิความเห็นที่ฉลาดในเรื่องเขตเรื่องผลเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมเรื่องปัจจยาการทั้งหลายหรือวิปัสนาสัมมาทิฏฐิปัญญาที่เขาไปเจาะทะลุทะลวงใน ลักษณะเฉพาะตัวแล้วพิจารณายกขึ้นสู่ต ร, ตรลักษณ์คือนิจังทุกขังหน้าตาโอเนี่ยปัญญาระดับเนี้ยก็ต้องอาศัยตัวโยนิสโสมนสิการภายในที่ไปยึดโยงต่อปาโตโคสะซึ่งเป็นกัญยาณมิตรภายนอกที่เป็นตัวยึดโยงต่อกันเนี่ยหลักการอย่างนี้คนจะได้ปัญญาสแสวงปัญญาหรือใฝ่ปัญญาทั้งหลายก็ต้องฉลาดในการที่จะใช้โยนิสโสมณสิการเนี่ยนะในการที่จะไปไปยึดโยงกับ ปตะโตโษะข้างนอกที่ถูกต้องดีงามคนที่ฉลาดก็เลยเข้าหาว่าใครเนา ท, ที่จะเป็นปตะโตโษะปัจจัยให้กับเราได้ดีที่แก่โยนิโสมั ส, สการได้ที่สุดก็ต้องการบอกตรงชัดแล้วก็ชัดเจนโดยไม่อ้อมค้อมยังไงไม่ใช่ว่าเรียบทุ่งเรียบอะไรอยู่นะคือเข้าใจต้องการที่จะเข้าใจอย่างแท้จริงเวลามันจํากัดนี่ชีวิตที่เหลือเนี่ยใช่ไหมอายุ70หมดโอกาสเรียนแล้วมนุษย์เราเนี่ยเรียนไปไม่ไหวแล้ว แค่จะซ่อมร่างกายก็จะไปไม่ไหวแล้วจะไม่ได้ยุติเจิบหรือแค่หกสิก็แย่ๆกันเป็นแถวเป็นแนวแล้วเนี่ยอย่างนี้เปต้นมองออกไม่ว่านี่คือตัวโยนิสงมานัสการกับอุปายมนัสการถ้าเป็นปะธรรมมานัสการก็คิดคิดคิดไปตามทางคิดเป็นแถวเป็นแนวเป็นคนที่ไม่มนัไม่มานัสการวกวนบางคนเป็นคนคิดวกวน จับต้นชนปลายไม่ถูกกระโดดนู่นกระโดดนี้กระโดดนั่นกระโดดนี้กระโดดนั่นกระโดดนี้ก็าจะคิดไม่เป็นแถวเป็นแนวนั้นทำมนุสย์การที่เขาคิดเป็นแถวเป็นแนวคิดเป็นไปตามลําดับคิดไปตามแนวของเหตุและผลเป็นการคิดแบบมีระเบียบคิดแบบเป็นช่องเป็นแถวเป็นแนวได้ดีแล้วไม่จับจดไม่ได้คิดคิดไปกระโดดวกวนกระโดดวกวนไม่แลยคิดเป็นแถวเป็นแนวเลยอย่างยกตัวอย่างเช่น คิดในลักษณะว่าปราโมดเป็นปัจจัยแก่ปีติปีติเป็นปัจจัยแก่ปัสสธิปัสสติเป็นปัจจัยแก่สุคโสมนัสสุขโสมนัสเป็นปัจจัยแก่สมาธิสมาธิเป็นปัจจัยแก่ปัญญายะถาภูดายานทัศนะยะถาภูดาานทัศนะปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงเป็นปัจจัยแก่นิพพทาเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายเป็นปัจจัยแก่วิราคะคลายกำหนัดวิราคะเป็นปัจจัยแก่นิโรธาคือความดับเป็นปัจจัยแก่อนุปาธาบริณพันโอ้มันเป็นแถวเนี่ยไม่ออกนอกโลกนอกทางเลยเป็นใต้แถว หรืออ๋อศีลเนาะอ๋อตัวศรัทธาความเชื่อมั่นในคุณของพระเจ้าเป็นปัจจัยเกิดกุศลศีลอ๋อเนี่ยกุศลศีลเป็นปัจจัยแก่ความไม่เดือดร้อนใจความไม่เดือดร้อนใจเป็นปัจจัยแก่ปราโมทปราโมทเป็นปัจจัยแก่ปีติปีติเป็นปัจจัยแก่ปัสสติปัสสติเป็นปัจจัยแก่ สุคสมมานาสสุคสมมาเป็นปัจจัยแก่สมาธิสมาธิเป็นปัจจัยแก่ ي, ي, ปัญญ า, าโอ้การเดินศีลมันจะต้องเป็นแถวเป็นแนวอย่างนี้ไม่ใช่ศีลเราไม่รู้เรื่องรู้ราววกวนสับสนวนวนิวนเวนีย น, น, น, นอยู่โอ้การชีวิตการจะบรรลุการจะเข้าถึงจุดหมายมันต้องรู้ตลอดสายเหมือนรู้เส้นทางเดินที่เราจะไปหน้าที่ไหนไม่ใช่รู้นิดๆหน่อยๆรู้ครึ่นๆกลางๆต้องรู้ตลอดรู้เป็นแถวเป็นแนวเมื่อรู้เบ็ยเสร็จแล้วก็ลงมือฝึกฝนพัฒนาตนเองเพื่อจะไปถึงจุดหมายไปทางได้อย่างแท้จริง และในขณะที่เดินก็เดินอย่างติดต่อและต่อเนื่องไม่หยุดแวะพักมไม่หลงเพลิดเพลินในระหว่างทางแลโอ้โหเนี่ยเข้าใจเป็นแถวประธานถ้าการณะมนศิการก็คิดสาวหาเหตุการสาวหาเหตุในบางทีมันเหตุปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้เขาเรียกสาวหาเบื้องต้นที่มายกตัวอย่างเช่นว่าในกรณีที่เราเรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราได้ฟังพระธรรมเนะเออ ทำไมเนาเราจึงมาได้สัมมาทิฐิซึ่งเป็นสิ่งที่ได้ได้ยากเหลือเกินเหมือนกันโอ้สัมมาทิฏฐิเป็นสิ่งที่ได้ได้ยากมากใช่ไหมอ๋อที่เราได้สัมมาทิฐิเป็นสิ่งที่ได้ได้ยากที่สุดเนี่ยเพราะอะไรเนี่ยอ๋อเพราะเรามีโยนิโสมนัสิกานิการทที่เรามีโยนิโสมนัสิกานี่เพราะอะไรเนี่ ย, ย, ยใช่ไหมเพราะเรามีกลยาณมิตรนะเรามีปาราทโคสะ เอ๊ะที่เราที่มีกาลยานามิตรเพราะอะไรเนี่ยเพราะเราอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมนะถิ่นที่เหมาะสมถิ่นที่มีกาลยานามิตรเกิดเอ๊ะที่เราอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมเพราะอะไรเพราะปุเพกตาปุญญตาเพราะการทําบุญเก่ามาดีอ๋อเห็นไหมแล้วทําไมเราถึงทําบุญเก่าในอดีตได้ดีอ๋อเพราะมีอัตตาสัมมาปณิทิเพราะตั้งตนไว้ชอบในอดีตใช่ไหม อ๋อการตั้งตนไว้ชอบตนไม่มีศีลก็ตั้งตนไว้มีศีลตนไม่มีสมาธิก็ตั้งตนไว้ในสมาธิตนไม่มีศรัทธาก็ตั้งตนไว้ในศรัทธาวิยาเป็นต้นเนี่ยตั้งตนไว้ชอบก็เป็นการได้สร้างได้ปุเพกะตาปัญญาตาปุเพกะตาปัญญาตาทําให้เรามาอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมพออยู่ในถิ่นที่เหมาะสมเราก็เลยได้กัลยาณมิตพอพบกัลยาณมิตรเราได้มีฟังธรรมพอฟังธรรมได้เกิดโยนิโสพอเกิดโยนิโสก็ทำได้ปัญญา พอได้ปัญญาเราก็จะเดินตามศีลสมาธิปัญญาได้ถูกต้องเราจะพ้นทุกข์ได้ด้วยอาการอย่างนี้สาวหาเหตุได้นี่ก็กรรณะมนณะสิกาละก็คิดสาวหาเหตุปัจจัยได้ใช่ไหมลักษณะแบบนี้ก็แล้วคิดสาวหาเหตุได้ไม่อยู่เออ เ, ออเออเลยลอยไม่รู้มาย่างไงนี่นไม่ใช่ใช่ไหมมันมันรู้เนี่ยลักษณะงี้เป็นต้นนี่เรียกสาวหาเหตุปัจจัยและในทางตรงกันข้ามนะถ้ า, าบอกเออทําไมทําไม บ, บางยุคบยุคบุคสมัยทําไมเราได้มิจฉาทิฏฐิ ทำไมเราต้องมาทําชั่วกายยโจริญวิจิตรจริญมโนเจริญเพราะเราได้มิจฉาทิฏฐิมันเพราะอะไรหนาอ๋อเพราะเรามีอโยนิโสมนัิการเพราะเราคิดไม่ถูกทางคิดไม่ถูกวิธีคิดไม่ถูกอุบายเราไม่มีอุปายยมนัิการเราคิดไม่ถูกเราไม่มีปาจถามนัิการเราคิดวกวนสับสนเราไม่มีกรณะมนัสการเราไม่คิดเป็นแถวเราไม่คิดสาหเหตุปัปจจัย เราไม่มีอุปาทรมนตรสการไม่สามารถเช็ดปุกเราคุณธรรมได้แล้วเรามีอโยนิโสมนตร์สการนี่เองเราจึงได้มิจฉาทิฏฐิเราจึงทำกรรมชั่วอลามกเยอะแยะหมดเอ๊ะทีนี้ไอตัวอโยนิโสมาจากอะไรอ๋อมันมาจากการฟังสิ่งฟังข้อมูลผิดชอบไปฟังข้อมูลที่มันผิดผิดชอบไปแสวงหาข้อมูลที่ผิผิดทําไมเป็นอย่างนั้นเพราะเราคบป่าประมิตรเราทําไมไปคบป่าประมิตรมิตรชั่วมิตรไม่ดีมิตรที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ เพราะเราไปอยู่ถิ่นที่มันไม่เหมาะสมเอ๊ะทำไมจึงอยู่ถิ่นที่ไม่เหมาะสมอ๋อเราไม่มีบุญเก่าทำไมเราไม่มีบุญเก่าเราตั้งตนไว้ผิดดีเราตั้งตนไม่ผิดตั้งอัธยาศัยไว้ผิดนี่เองมันจึงทำมันไม่ไมีผูเพกระตปัญญตาเพราะไม่มีผูเพกตปัญญตามันเลยสร้างเหตุผิดก็มาเกิดในถิ่นที่ไม่เหมาะสมเพราะเกิดในถิ่นที่มันไม่เหมาะสมมันก็พบคนพบปาปามิตรพบคนพาณ พอคนผ่านปุ๊บเราก็ได้ฟังสิ่งที่ไม่ไมควรฟังเพราะฟังสิ่งที่ไม่ควรฟังทั้งหลายก็เกิดอโยนิโสมนสิการเพราะไม่ฉลาดคิดก็เป็นมิจฉาทิฏฐิพอมิจฉาทิฏฐิตามมาแล้วก็ประพฤติกายยทุจริตวจีทุจริ ต, รตมโนทุจริตพอประพฤตินี้มากๆแล้วก็มีอบายทุกติวิริบาตในโลกเป็นที่ไปโอ้เห็นเหตุปัจจัยมันแล้วนี่เขาเลือกสาวหาเหตุปัจจัยก็ยังเริ่มมองเห็นไหมโอ้กระแสชีวิตไม่แปกแลกเราก็เริ่มเห็นเห็นเห็นกระแสชีวิตที่มันเป็นไปตามแถวตามแนวยังไงเงี้ยเริ่มเร ทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าอุปาทกามมนสิกาละคิดปลุกร้าคุณธรรมอุปาทกาก็คือคิดให้ให้เกิดผลเช่นคิดให้เกิดผลก็คือว่าไม่มีศรัทธาคิดให้เกิดศรัทธาปลุกร้าให้ศรัทธาเกิดได้ให้เหตุปัจจัยศรัทธาโลดแล่นได้ไม่มีความเกล้กากล้าไม่มีความเพียรคิดให้มีความเพียร กรตุ้นให้ความเพียรเกิดได้ไม่มีสติคิดให้สติเกิดไม่มีสมาธิคิดให้มีสมาธิได้ไม่มีปัญญาคิดให้ปัญญาเกิดขึ้นได้เนี่ยก็เร <c oughs> ียกว่าคือคิดให้เกิดผลเลยปลุกเรา้าปลุกเราาา้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาปกติศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญ า, า, า, า, า, า, า, ญญามันเกิดเองได้ไหม <c oughs> ถ้าไม่ฉลาดในการที่จะให้เหตุปัจจัยมันเกิดไหมมันไม่เกิดฉะนั้นฉลาดในการคิดอ้าวในระหว่างคนที่เขา คนที่มีอุปาธกรรมมาเลิกการเนี่ยในระหว่างที่ไปอยู่ในบุคคลที่เขาไม่เชื่อมั่นตัวเองใช่ไ้ยไปเกิดไปอยู่มีแต่คนที่เขาไม่เชื่อมั่นตัวเองยกตัวอย่างเช่นตอนที่พระโพธิสัตว์ ท, ที่เกิดเป็นพระหมหาชนกตอนนั้นเรือสมเภาล่มโอ้ยทุกคนไม่มีความเชื่อมั่นตัวเองเลยอ่อนวอนเทวดาออนวอนเทพเจา้าออนวอนะอะเยอะแยะหมด ศรัทธาอะไรก็อ่อนวอนอย่างนั้นทุกคนไม่มีความเชื่อมั่นตัวเองเลยแล้วก็ร้องร้องขอความช่วยเหลือเรางมเรือเรือก็ค่อยจมในระหว่างเนี้เพราะบริษทัทท่านมีอุปถากรรมนุสกา ร, การเนี่ยท่านไม่บอกว่าบรรดาบุคคลเหล่าเนี้ยไม่มีศรัทธาไม่เชื่อมั่นในศักยภาพความเป็นมนุษย์แต่เราจะไม่เป็นแบบนั้นท่านย้อนกลับมาเชื่อมั่นว่าเราจะต้องรอดพ้นจากความตายในที่นี้ให้ได้เรายังตายไม่ได้เรามีความเชื่อมั่น แล้วก็เกิดความกล้าๆอาถารพ์ไม่กลัวอันตรายแล้วก็มีสติกํากับอยู่กับตัวไม่ฟันเฟือนเลืนหลงด้วยและมีความตั้งมั่นมีความอดทนว่าจะต้องฝาฟันให้ได้ด้วยและมีปัญญามีปัญญาในการรู้เข้าใจวิธีการว่าจะทํายังไงใส่เสื้อยังไงเอาเนยใส่เนยข้นทั้งหลายมาทาตัวยังไงแล้วเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยวันนี้เป็นวันอุโบสถ สมาทานอุโบสถยังไงดูดวงดูดาวดูดวงจันทร์แล้วเต็มดวงอย่างนี้เป็นวันอุโบสถแบบเสรเสร็จปุ๊บแทนที่จะอ้อนวอนขอน่นขอนี้ไม่เลยใช้เรียวแรงช่วยกําลังตนเองตายขึ้นเสากระดงเรือปุ๊บ ป, บปบุขึ้นไปแล้วจะต้องโดดให้ไกลที่สุดน้ําทะเลน้ําในเรือมนจะได้ไม่ดูดเข้ามาบรรดาคนจมกินปลาล้ายสัตว์ล้ายก็มากิ น, ม, กนมนุษย์ร้องกันละงลงายท่าน ใช้พลังที่เต็มที่โดดให้พ้นจากอันตรายนั้นได้อันนี้ขาดมาจากอะไรนี่อุปาทกรรมนาสิกานปลุกเร้าปลุกเร้าความเชื่อมั่นปลุกเร้าความกล้าปลุกเร้าสติขึ้นมาปลูกเร้าสมาธิปลุกเร้าปัญญาขึ้นมาให้เกิดให้มีขึ้นทั้งๆที่อยู่ในสถานการณ์คนอ่อนแอหมดนี่เขาเรียกมีอุปาทกรรมนาสิกานทั้งๆที่เห็นสถานการณ์อีกอย่างหนึ่งแต่คลิกเป็นโอกาสในตนเองอีกอย่างหนึ่งก็าใยยังนี่ก็แล้วคิดแบบมีอุปาทกรรมนาสิกานปัญญาเกิด เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดสมาทิฏฐิได้อย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมคนที่เอาวิกฤตของชีวิตมาเป็นโอกาสเห็นการฝึกฝนพัฒนาได้ บ, าบรรําเพ็ญวิทยาบารมีซะเลยนี่เห็นไหมเนี่ยทั้งๆที่ตนเองจอกตกอยู่ในสถานการณ์เนี่ยถ้าเป็นบางคนก็พากันจมตายไปและส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นด้วยกรณีแบบนี้เขาเรียกว่าคนที่มีอุบายเออคนที่มีอุปาธกรรมนักการ์โกรธไม่เชื่อมั่นเชื่อมั่นบางคน เกิดความไม่เชื่อมั่นคิดให้เกิดความเชื่อมั่นเกิดความกำหนัดยินดีคิดให้หายเลยคิดให้ความกำหนัดยินดีมันหายไปได้แย่เก่งไหมล่ะเกิดความโกรธคิดให้ความโกรธมันหายเลยเกิดความหลงคิดให้ความหลงมันหายเอาปัญญาเข้ามาทําหน้าที่แทนโหวิจัยแยกแยะจนเกิดความชาญฉลาดขึ้นมาได้อย่าินท่านนี่เห็นไหมว่าโยนิโสงั้นโยนิโสข้อไหนสําคัญที่สุดสําคัญทุกข้อ แล้วเราขาดข้อไหนที่สุดเห็นไหมเราขาดใช่ไหมล่ะงั้นตรงนี้ถ้าเราฉลาดในการที่จะคิดอ่านวิจัยแยกแยๆนี้นี่เขาเรียกว่าปัจจัยภายในที่เป็นโยนิโสมนสิกานนี่เป็นกระบวนการของการศึกษาแลวเนี่ยเกิดขึ้นจริงๆนะคำว่าศึกษาคืออย่างนี้ คือจะพัฒนามนุษย์เข้าสู่ศีลสมาธิปัญญาได้ก็ต้องสัมมาทิฏฐินี่เป็นตัวองค์หลักของกระบวนการศึกษาถ้าสัมมาทิฏฐิไม่เกิดขึ้นไม่เรียกว่าศึกษาถ้าปัญญาไม่เกิดขึ้นไม่เรียกว่าศึกษาฉะนั้นกระบวนการศึกษาให้บอกว่าแกนนําแห่งกระบวนการศึกษาก็ได้แก่สัมมาทิฏฐิเมื่อสัมมาทิฏฐิเป็นแก่นเป็นแกนนําและเป็นฐานแล้วเนี่ยกระบวนการแห่งการ ปึกผลพัฒนาภายในบุคคลก็ดาเนินไปได้ทีนี้การที่จะดาเนินไปได้เนี่ยก็หมายความว่าการที่มนุษย์ทั้งหลายจะมีพฤติกรรมออกมาทางกายทางวาจาและทางจิตใจใช่ไหมด้านพฤติกรรมด้านจิตใจด้านปัญญาใช่ไหมล่ะมันมีอะไรเป็นแกนแลหละตัวสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็ต้องอาศัยโยนิโสโยนิโสก็ต้องอาศัยกัลยาณมิตรอาศัยปัจจัยภายนอกใช่ไหม นะสรุปแล้วก็คือว่าการที่เราไปเกี่ยวข้องหรือไปยึดโยงกับปัจจัยภายนอกทั้งหลายถ้าเรายึดโยงด้วยอายนิโสมนสิการปุ๊บเสียเลยใช่ไหมเหมือนการดูเนี่ยดูได้ก็ดูเป็นต่างกันไหมดูได้ก็ดูเป็นต่างกันไม่ต่างกันต่างยังไง อันนี้อะไรผู้พันุ์อะไรอะถ้าดูได้กับดูเป็นต่างกันยังไงดูกล่องเนี้ยอถ้าดูได้มันก็ได้แค่ชอบกับไม่ชอบชอบกับไม่ชอบถ้าดูเป็น มันนอกจากจะไปดูแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตจิตใจร่างกายยังไงเบีเสร็จปุ๊บสามารถดูให้เกิดศีลยังไงดูให้เกิดสมาธิยังไงดูให้เกิดปัญญาโอ้โหอีกเยอะมากเลยก็เลยดูเป็นใช่ไหมดูแล้วมันไม่ได้กระบวนการศึกษากับดูแล้วมันได้แค่ชอบใจไม่ชอบใจอนี่ก็เลยดูได้หลายๆคนก็ดูได้ทั้งเห็นอะไรดูได้หมดเลยใช่ไหมดูแล้วเกิดราคะดูแล้วเกิดโทสะดูแล้วเกิดโมหานี่ก็เลยดูได้แต่ก็เลยกดูไม่เป็น ถ้าดูเป็นมาพบกระบวนการเรียนรู้กระบวนการศึกษามันได้เลยว่าสิ่งเหล่านี้ความจริงมันคืออะไรมันคืออะไรกันแน่เข้าไปจอะทะลุทะลวงในสิ่งนั้นอ๋อโดยมากเป็นชาเป็นกล่องเป็นเป็นดอกทานตะวันเป็นอะไรก็แล้วแต่เออมันเป็นประโยชน์ยังไงเป็นประโยชน์จริงหรือไม่จริงอย่างไรศึกษาวิเคราะห์เจาะลึกหาข้อมูลความรู้นี่ชั้นพื้นฐานหนักไปกว่า น, นั้นว่าเมื่อเราได้ร่างกายที่แข็งแรงร แ, ลแล้วเราจะเอาร่างกายที่แข็งแรงมาเพื่ออะไร อ๋อทำพฤติกรรมให้เป็นไปกับศีลทําสภาพจิตใจเป็นกับสมาธิทัศนคความอื่นให้เป็นไปกับปัญญามีปัญญาแล้วเพื่ออะไรเพื่อจะรู้สิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงยังไงโอ้ยงี้มันไปอีกเยอะเลยใช่ไหมล่ะจากการดูได้ดูเป็นดูได้ก็ได้แค่ชอบกับไม่ชอบไม่เรียกว่าศึกษาถ้าดูเป็นแปลว่าศึกษาฟังได้กับฟังเป็นต่างกันไหมฟังได้ก็ได้แค่ชอบใจกับไม่ชอบใจแล้วมึนมึ น, มนงงงเฉย ไม่รู้เรื่องถ้าฟังเป็นเนี่ยโอ้โหกระบวนการศึกษาตามมาเยอะเลยใช่ไหมเออเรื่องนี้เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์เป็นคุณเป็นโทษเป็นกุศลหรืออกุศลเป็นทำดํำทำสาวขาวยังไงเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ระดับไหนเป็นระดับประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในพบหน้าประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์ตนหรือประโยชน์บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ร่วมกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโอ้โหมันฟังแล้วเข้าใจตรงนั้นเจาะทะลุทะลวงได้อย่างี้เป็นต้นก็เรื่อฟังเป็นดมได้ดมเป็นใช่ไหม กินได้กินเป็นสัมผัสได้สัมผัสเป็นทำได้ทำเป็นสื่อสารได้สื่อสารเป็นคิดได้คิดเป็นโอมีเยอะเลยใช่ไหมเนี่ยถ้าโยนิโสมันจะต้องเป็นเห็นไหมแล้วพอมองเห็นยังกินอาหารกินได้ไหมชอบก็ไม่ชอบอันนี้เผ็ดชอบอันนี้ไม่เผ็ดไม่ชอบอันนี้อร่อยนี่ไม่อร่อยนี่ก็ได้กินได้จะกินเป็นโอ้ มันเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ต่อกระแสชีวิตต่อร่างกายใช่ไหมเรามีสภาพร่างกายแบบนี้ต้องกินอาหารแบบนี้ทําให้ดินน้ําไปลมในร่างกายของเราได้ดุลยภาพไม่ดุลยภาพอย่างไรทําให้กระแสชีวิตของเราเนี่ย อ, อายุยืนโครคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนมีกระแสชีวิตที่ยืนยาวอย่างไรยืนยาวแล้วเพื่ออะไรได้ชีวิตที่ดีอย่างนี้แล้วเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อจะดําเนินตามมรรคาของไม่ใช่จะเว่ากันไปหรือจะเพื่อกระบวนการจะทําประโยชน์ยังไงก็ว่าไปมันกินเป็นมันยังพูดได้อะ จะพูดเป็นเนี่ยถ้าชอบใจก็พูดไม่ชอบใจก็ไม่อยากพูดหรือชอบใจก็พูดดีไม่ชอบใจก็พูดไม่ดีใช่ไหมแต่ถ้าพูดเป็นคนละเรื่องเลยนะใช่ไหมล่ะสื่อสารได้สื่อสารเป็นคนละเรื่องกันเลยเนยเออตรงนี้เ น, นี่ยยยติโสสำคัญไหมทีนี้กระบวนการอย่างเงี้ยก็คือต้องมีตัวสมาธิฐิเนี่ยเป็นแกนนําแล้วก็เป็นฐานที่จะกพัฒนา กระบวนการของไตรสิขาคือการฝึกฝนการอบรมความประพฤติและก็ระเบียบ ว, วินยัยความสุดจิตทางกายทางวาจาและอาชีพเรียกง่ายๆว่าระดับศีลเนี่ยระดับศีลจะดําเนินศีลที่เป็นไปกับพฤติกรรมทางกายทางวาจาและอาชีพให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริงนั้นต้องมีอะไรเป็นแกนหลักนําชีวิตต้องมีสมาธิธิสมาธิธ ม, าธธมาจากโยนิโสยนิโสมาจากกัลยาณมิตร 阿拉โตโคซาเป็นปัจจัยเกียโยนิโสโยนิโสเป็นปัจจัยเกียรตสมาธิติสมาธิติเกิดขึ้นมาแล้วสมาธิติก็มากำกับพฤติกรรมที่เป็นไปกับทางกายวาจาและอาชีพให้เป็นไปกับศีลที่ถูกต้องดีงามและมีความเข้าใจไม่เป็นศีลล้วระตาบามาด้วยนี่สมาธิติมาแล้วงานเนี้มาแล้วฉลาดรู้และเข้าใจในการดําเนินชีวิตได้ถูกต้องดีงามเป็นศีลระณะที่แท้จริงด้วยทําพฤติกรรมทางกายทางวาจาและอาชีพไม่ให้เกลื่อนกล่นไม่ให้กระจัดกระจายไม่ให้ซ่านไปด้วยความทุศีล ปฏิบัติได้ถูกต้องดีงามตามวัตถุประสงค์ของการเดินกุศลศีลได้อย่างแท้จริงแล้วก็มีความชาญฉลาดในการการะทําไม่หลงไม่งมงายในการการะทําด้วยใช่ไหมละ่ะเพราะกุศลศีลเกิดขึ้นก็ทําลายความทุศีลความไม่มีศีลให้หมดสิ้นไปจากระแสะชีวิตไม่ว่าความทุศีลทางกายความทุศีลทางวาจาความทุศีลทางอาชีพทั้งหลายถูกกระจัดไปด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจด้วยสัมมาวาจาก็กําจัดความทุศีลทางวาจาสัมมากัมมันตะ ต้อกำจัดความทุศีนทางกายสมาชีวะก็กำจัดความทุศีนทางอาชีพทำอาชีพให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดเป็นไปด้วยความถูกต้องดีงามนี่ปัญญามาชำระแล้วชำระทางกายทางวาจาก็คือกำจัดความทุศีนได้แล้วผลล่ะผลปรากฏของศีนน่ะกายสะอาดไหมวาจาสะอาดไหมอาชีพบริสุทธิ์ไหมใจสะอาดด้วยไหมโอ้ใจก็ดีด้วยเนี่นกายวาจาใจก็เลยสะอาดทเป็นผล มันมาจากอะไรเนี่ยโอ้มาจากความละอายชั่วกลัวบาศมาจากศรัทธาในพระรัตนตรัยมาจากศรัทธาในความดีมาจากศรัทธาในเชื่อศักยภาพมนุษย์ว่าจะสามารถทําพฤติกรรมทางกายทางวาจาและอาชีพให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามเป็นต้นได้นี่เห็นไหมมีอะไรเป็นแกนหลักในการดําเนินชีวิตสมาธิคิามเหม็นที่ถูกต้องเริ่มเหม็อนอี่ยังดยเดี๋ยวนี้เห็นไหมสามารถดําเนินชีวิตได้ถูกต้องดีงามจริงๆเล ย, ย, เยมองเห็นเนี่ยว่า นิยมสมาธิที่เป็นแกนอ่พัฒนาต่อมนุษย์ไม่ได้อยู่แค่พฤติกรรมทางกายทางวาจาและอาชีพเท่านั้นพอมีพฤติกรรมทางกายทางวาจาอาชีพที่ดีงามเรียบร้อยถูกต้องดีงามแล้วใจเป็นยังไงโปร่งไหมเดือดร้อนใจหรือไม่เดือดร้อนใจโอยปลาโมดหรือไม่ปลาโมดอิ่มใจเล็กน้อยปิติตรไหมโอ้ยขนลุกชูชันเลยใช่ไหมพิจิสงบไหมเข้าถึงความสงบได้ปัสจทธิความสงบก็คือ กำจัดความฟุ้งซ่านได้สงบจิตสงบแล้วไม่ฟุ้งซ่านแล้วแล้วสมนัสเกิดที่ยังสุขโสมณัสเกิดแล้วเป็นยังไงสภาพจิตสมาธิพร้อมไหมยังเนี่ยพัฒนาไปถึงด้านจิตใจแล้วฝึกฝนอบรมทางใจแล้วการปลูกฝังคุณธรรมการสร้างเสริมคุณภาพสมรรถภาพและความสุขเรียกว่าสมาธิทั้งมีทั้งคุณภาพมีทั้งสมรรถภาพมีทั้งความสุขคุณภาพคือจิตใจได้ทั้งเมตตากรุณามุทิตาโอ้ได้เลยนะ ได้ทั้งความละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปได้สภาพจิตที่ดีได้ความเชื่อมั่นโอ้ได้มาเยอะเลยนะเนี่ยได้ได้ได ไ, ด ไ, ด ไ, ดได้ทั้งคุณภาพสภาพจิตดีมีเมตตามีกรลณามีมุทิตามีกตัญญูมี ก, ต, و, มกตาเวทีโอ้โหมันตามมาเยอะเลยเนะนี่ยนี่จิตมีคุณภาพแล้วสมรรถภาพล่ะโอ้โหจิตมีความเชื่อมั่นไหมจิตมีความกล้าๆไหม กล้ า, ลากล้าหรือยังเนี่ยเกล้ากล้าต่อความดียังไม่หวั่นไหวต่อความชั่วปิดกั้นความชั่วได้แล้วใช่ไหมความที่จะเดินสู่ความดีให้ติดต่อแล้วต่อเนื่องแล้วสติมาหรือยังโอ้โการไม่ฟันเฟือนเลืนหลงมาแล้วสติมาแล้วความอดทนไหมยังสมรรถภาพมาแล้วความอดทนนะไม่สะทกสะท้านไม่หวั่นไหวสมาธิไหมยังมาแล้วสมาธิมาแล้วความตั้งมั่นแหง่งจิตก็มาแล้วนี่เรียกสมรรถภาพอภิการมาคือ ปลาโมดปิติปัิสิทธิสุขสมอนัดมาแล้วสุขสมอนัดมาแล้วเนีเนี่ยได้ทั้งเขาเรียกว่าคุณภาพได้คุณภาพของจิตได้ทั้งสมรติภาพได้ทั้งไอคุณภาพสมรรถภาพและความสุขสิ่งที่ได้อย่างนี้เพราะอะไรปัญญามาคัดสรรมานาพาชีวิตมาจัดแจงทําให้จิตนั้นได้ทั้งคุณภาพได้ทั้งสมรติภาพได้ทั้งความสุขเห็นไหมตัวสมาธิจิตเป็นแกนเนี่ยสาคัญจริงๆรเห็นนี่ยังยากไม่ยาก ปการต่อมาคือการอบรมในทางปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงรู้ความเป็นไปของเหตุปัจจัยทําให้แก้ไขปัญหาไปตามแนวทางของเหตุผลได้รู้ทันโลกทันชีวิตตามความเป็นจริงด้วยใจที่เป็นอิสระผ่องสใยเบิกบานเรียกว่าปัญญาเออเพอจิตมันมีทั้งคุณภาพสมรรถภาพและความสุขแปลว่าอะไรตอนนั้นจิตจิตมีพลังไหมมีพลังมีพลังก็ขจัดของเสียออกแล้วใช่ไหม ขจัดเหมือนน้ําที่พุ่งลงจากภูเขาบนยอดเขาเนี่ยมันก็ขจัดไอ้ตัวขยะมูลฝอยอ่ให้อันตรทานไปแม้ชัน้นใดจิตที่มีพลังจิตนี้มีกําลังมีพลังมันขจัดกามฉันทะความติดใจฝ่ายขันออกนั่นก็เกิดความตั้งมัน่นใช่ไหมขจัดพยาบาทความฟุ้งความกโกรธความเครียดออกขจัดความหดหู่ท้อถอยใช่ไหมออกไป แล้วก็ขจัดความฟุ้งซ่านลำคาญใจความลังเลสงสัยออกหมดเลยจิตสะอาดนี่ยังเด้เหมือนน้าใสจิตสะอาดสงบไหมสงบเย็นเหมือนน้ำไม่ถูกไม่ถูกลมพัด ต, ต้อง1นึงมีพลังสองสงบเย็นใช่สองสงบเย็ น, ส, ง ส, งยนสามก็คือใสสะอาดมองเห็นอะไรได้ชัดงั้นจิต ที่มีสมาธิอย่างนี้เหมาะแก่การปัญญามาทำหน้าที่ยังโอยพอปัญญามาเกิดร่วมกับจิตแบบนี้มันจะมองเห็นอะไรชัดเหมือนน้ำสะอาดในเม่นน้ำมันเห็นปลาเห็นเต่าเห็นปูเห็นหอยเห็นกุ้งเห็นก้อนกรวดก้อนหินมองไปที่ไหนก็เห็นชัดมันแหวก่าวไปมาก็เห็นแม้ชั้นใดจิตที่สะอาดถ้าปัญญามาทำกิจแล้วจะคิดอะไร คิดที่ไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนสภาพสังคมสิ่งแวล้อจะคิดตามความเป็นจริงอะไรก็เห็นจะคิดก็หาทุกข์ก็เห็นทุกข์ตามความเป็นจริงคิดเหตุให้เกิดทุกข์ก็รู้คิดถึงจุดหมายความดับทุกข์คิดถึงปฏิปทาทางดําเนินให้เข้าถึงความดับทุกข์ก็ชัดเขาจอย่างเนี่ยลักษณะแบบนี้เห็นจิตมันสะอาดทุกวันนี้มันมองอะไรไม่เห็นเพราะมันสะอาดลิโซปกมันมีการมาฉันทะเข้าก้มรุมมีพยาบาทเข้าก้มรุมมีถีนมิถะก้มรุม มีอุทจากกุ ก, จกุจั ก, ก้มลมวิจิกิจฉาก้มลมมีทั้งความกำหนัดมีทั้งขัดเคืองมีทั้งหดหูท้อถอยมีทั้งฟุ้งซ่านลำคาญใจมีทั้งลังเลสงสัยครบชุดเลยอ่ะก็จิตมันก็บอดที่ เ, เนี้ยมันไม่ถูกชำระมันไม่ได้ถูกสมาธิทีนี้สมาธิก็เกิดไม่ได้ถ้ามีปัญญาเป็นแกนในตัวเป็นตัวปัจจัยกระตุ้นเตือนมันจะทําไงว่ามันไม่รู้อ่ะจะทํายังไงให้จิต จะทำไงให้จิตมีคุณภาพจะทําให้ยัง ไ, ยไงให้จิตมีสมรรถภาพจะทําไงให้จิตมีความสุขมันไม่ได้แล้วเลยจะให้ศรัทธาเกิดยังไงจะให้สมาธิเกิดยังไงจะให้สติเกิดยังไงจะให้ความเพียรเกิดยังไงจะให้ความอดทนเกิดยังไงจะให้เมตตากรุณามุทิตาเกิดยังไงจะให้กตัญญูกะตเวทีเกิดยังไงไม่รู้เพราะขาดปัญญาถ้ามีปัญญาเป็นแก AN นนําในการดําเนินชีวิตเสร็จแล้วโอ้โหสมาธิเพียบพอสมาธิเป็นฐานเบเสร็จปุ๊บก็เป็นปัจจัยเกิดปัญญาพอปัญญาได้แท่น ได้จิตที่ควรต่อการงานปุ๊บก็ไปรู้เห็นตามความเป็นจริงรู้โลกและชีวิตตามความเป็นจริงแล้วแต่เนี้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงรู้เห็นสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยอ้เข้าใจเหตุเข้าใจปัจจัยได้ชัดเลยมองเห็นอย่างไงสำคัญไหมเนี่ยทีนี้มันไม่ใช่แค่นั้นแหละแต่เนี้ยหลักการในการฝึกทั้งสามประการดังที่กล่าวทั้งด้านพฤติกรรมจิตใจทางด้านปัญญา ตอนนี้ก็พูดถึงในเรื่องของการที่จะเดินตัวอริยมรรคหรือเนื้อแท้หรือองค์ประกอบนี่นีที่จะสามารถดับทุกข์ได้เนี่ยนั้นพื้นฐานที่เรียกอริยมรรคที่แปลว่าทางดําเนินสู่ความดับทุกข์ทาให้เป็นอริยชนเนี่ยจากบุตรชนเข้าสู่ความเป็นอริยะจากบุตรชนคนมืดบอดเนี่ยเข้าสู่ความเป็นอริยะบุคคลจากมนุษย์ธรรมดาเขาถึงความเป็นพุท ธ, ธจากบุคคลที่ยัง ไม่ได้ฝึกฝนพัฒนาสู่ความเป็นผู้ที่ฝึกฝนพัฒนาเนี่ยมี8ประการใช่ไหมอันดับแรกเรียกว่าสัมมาทิฏฐิก็คือทัศน์ความเห็นแนวความคิดเห็นความเชื่อถือทัศนคติค่านิยมที่ดีงามถูกต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงตรงตามสภาวะที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบใช่ไหมล่ะความเห็นชอบความเห็นนี่ถูกต้องสัมมาทิฏฐิคือตัอย่างที่บอกไว้แต่แรกแล้วมีสองส่วน ทั้งกรรมสักตาสมาธิทิศและก็พัฒนาไปสู่วิปัสนาสมาธิิองค์ น, นี้สําคัญไหมสมาธิทิมีโยนิโสใช่ไหมเป็นปัจจัยประการต่อมาก็คือความคิดความดํำริตริตรองหรือคิดการต่างๆที่ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและเบียดเบียนผู้อื่นไม่เศร้าหมองขุนมัวเป็นไปในทางสร้างสรรเป็นประโยชน์สุข เขาเรว่าคิดออกจากกามคิดออกจากพยาบาทคิดออกจากการเบียดเบียนทีนี Aus ้คิดออกจากกามเนี่ยนะไม่เป็นกามสังกปะไม่ดําริ่ไปในกามไม่เป็นพยาบาทสังกปะไม่ดําริไปในการเบียดเบียนไม่เป็นวิหิงสาสังกปะไม่ดําริ่ไปในการที่เบียดเบียนคนอื่นไม่เป็นพยาบาทสังกปะไม่คิดโกรธคุดแคคิดโกรธคนอื่นคิดประทุษร้ายคนอื่นใช่ไหมมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ย ถ้าไม่ชำระความคิดมันก็จะไปมองมุมเนี้คิดไปในเรื่องกลามวันวันหนึ่งก็หมกมุ่นกับคิดเรื่องกลามอยู่นี่แหละรูปตีสวยๆเสียงที่เ พ, พ, พราะๆกลิ่นที่ขโมยมันคิดไปในเรื่องเหล่านี้ตลอดเวลาหรือไม่อย่างนั้นถ้าไม่ได้กางตามประหลัดนาก็โกรธใช่ไหมหรือไม่อย่างนั้นก็คิดเบียดเบียนคนอื่นที่จะมาแย่งชิงกลามของตนเองวัตถุกลางตัวเอ ง, กกอ ง, เองใช่ไหมล่ะทีนี้ลักษณะที่คิดแบบนี้ก็คิดไม่ถูกต้องเหตุผลที่คิดไม่ถูกต้องมันมาจากมิจฉาทิฐิเป็นปัจจัย นันตัวสัมมาทิฏฐิถ้าเป็นเป็นแก่นเป็นแกนขึ้นมาปุ๊บมันก็เป็นปัจจัยแก่สัมมาสังกปะมันก็เป็นความคิดเป็นทัศน์ความคิดความดําริขความติตอนคิดต่างๆที่ไม่เป็นไปเพื่อเบื่อเบียนตนและเบียอเบียนคนอื่นไม่เศร้าหมองไม่ขุนมัวด้วยเป็นไปในทางสร้างสรรค์เป็นประโยชน์เดชสุขด้วยนี่เขาเรียกสัมมาสังกปะดําริขชอบเห็นไหมเป็นปัจจัยกันทีนี้ทั้งสองส่วนทั้งดําริขชอบและก็เห็นชอบเนี่ยเป็นปัจจัยแก่กันและกันได้ด้วย ทั้งสองอย่างเกิดด้วยการเป็นปัจจัยเกืิดหนุนต่อกันสองตัวนี้มาจากโยนิโสเป็นปัจจัยให้เกิดโอ้โหทั้งเห็นชอบทั้งดัมลีชอบทั้งหลายเนี่ยเพอมาจากการคิดที่ถูกต้องเนี่ยคิดถูกทางถูกวิธีมาจากกัลยาณมิตรโอ้โหปัจจัยก็เอื้อกันไม่ใช่แค่นั้นเมื่อเห็นถูกต้องดัมลีถูกต้องก็เลยเป็นปัจจัยการพูดหรือการแสดงออกมาก็เป็นปัจจัยแก่สมมาวาจาใช่ไหมเป็นวาจาที่สุดจริตไม่ใช้วาจาปทุสร้ายผู้อื่น ไม่พูดฮะมันจะออกมาการพูดคําจริงพูดคําที่เป็นประโยชน์พูดถูกการพูดด้วยเมตตาเป็นต้นอะไรแต่เนี้ยพูดด้วยกรุณาบ้างพูดด้วยเมตตาบ้างโอ้โหมันไอตัวสัมมาสังคปะพูดด้วยเมตตาออกมาแล้วพูดด้วยกรุณาหรือพูดหรือดําริในการที่จะให้จะสละจะแบ่งปันทั้งหลายเหล่าเนี้ยมันเป็นในขมาสังกปะถ้าพูดด้วยเมตตาเป็นอัพยปาธาสังกปะ ถ้าพูดได้กรุณาเป็นอวิหิงสาสังกปะโอ้เปนตำรีแล้วก็เป็นปัจจัยการพูดออกมาพูดคําจริงพูดคําที่เป็นประโยชน์ผูดถูกการและก็พูดด้วยเมตตาพูดด้วยกรุณาพูดด้วยมุทิตาโอ้เปนออกมาใหญ่เลยเขาย้าใจะยังเนี่ยลักษณะนี้เขาเรียกว่าสัมมาสังกปะก็เป็นปัจจัยแก่สัมมาวาจานี่เป็นปัจจัยแก่สัมมาวาจาและไม่ส่อเสียดไม่ใส่ร้ายป้ายสีพูดสุภาพชักชวนให้เกิดประโยชน์ เป็นคำพูดที่เชื่อถือได้เป็นไปในทางสร้างสรรเป็นประโยชน์เขาเรียกว่าสัมมาวจาการกล่าววาใจชอบตามมาแล้วเห็นไหมสัมมาสังกปะสัมมาสัมมาวจาสัมมากามตะหรือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะและก็สัมมาวจารทีนี้จากการที่พูดชอบเป็นชอบก็เป็นการทีนี้การกระทําที่ดีงามและสุดยอดเป็นไปในทางสร้างสารรช่วยเหลือผู้อื่นเกื้อกูลไม่ทำร้ายผู้อื่นสร้างสารรค์สัมพันธ์ที่ดีงามทําให้อยู่ร่วมกันอย่างด้วยดี ทำให้เกิดความสงบสุขเรียกว่าสัมมากัมมันตะการกระทําชอบหรือเขาเรียกว่าการงานก็แต่การกระทำนั่นเองเกิดขึ้นมาแล้วเพราะจากการกระทําชอบก็เลยเป็นปัจจัยแก่การประกอบอาชีพที่สุจริตไม่ก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้อื่นอาชีพนั้นไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมก็ออกมาก็เรียกว่าสัมมาอาชีวะ ทีนี้สัมมาชีวะเป็นต้นเหล่านี้เกิดขึ้นจากอะไรเนี่ยพอเป็นสมาชีวะการที่จะเมื่อสัมมาชีวะเกิดขึ้นแล้วความเพียรพยายามในทางที่ดีที่ชอบทำเพียรหลีกเว้นป้องกันสิ่งชั่วร้ายบาปทุกบาปใช่ไหมทุจริตเก่าอากักษรกรรมเก่าบาปเก่าๆทั้งหลายก็ไม่ให้เข้าสู่กระแสชีวิตบาปใหม่ทุจริตใหม่อกักษรกรรมใหม่ก็ปิดกั้นอีกเหมือนกัน ก็เป็นความเพียรในการที่ดําเนินชีวิตให้เข้าสู่ความเรียบร้อยดีงามดําเนินไปตามมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเหล่านี้ก็คือป้องกันอกุศลความชั่วร้ายทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เพียรในการสร้างสิ่งที่ดีงามหรือกุศลและธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นก็เรียวกว่าสัมมาวายมะก็เพียรชอบก็เกิดทีนี้การมีสติกํากับตัวอยู่ควบคุมใจไว้ให้อยู่กับสิ่งที่เกี่ยวข้องที่ต้องทําในเวลานั้น ระลึกได้ถึงสิ่งที่ต้องใช้สิ่งที่ดีงามสิ่งที่เกื้อกูลเป็นประโยชน์ไม่ลหลงไหลเลื่อนลอยไม่เลอะเลือนไม่ฟันเฟือนไม่เลือนหลงมีสติกำกับอยู่ในกิจที่ทำในคำที่พูดเป็นต้นเหล่านี้สามารถที่จะระลึกดึงเรื่องราวต่างๆที่ดีงามมาเกื้อกูลหรือจับประเด็นในเรื่องนั้นๆได้ต้องการจับเรื่องอะไร ล็อกเรื่องอะไรไว้กํากับเรื่องอะไรไว้ก็สามารถกํากับให้ใจอยู่กับสิ่งที่ดีงามเป็นต้นนี้ได้สัมมาสติก็เกิดขึ้นทีนี้ประการต่อมาคือภาวะที่สติและลึกต่อสิ่งใดในเรื่องใดบ่อยๆความตั้งมั่นแห่งกิจกจิตใจก็ดำเนินอยู่ในกิจในการงานหรือในสิ่งที่กำหนดได้อย่างสม่ำเสมอแน่วแน่สงบไม่ฟมมุ่งซานสัมมาสัมาทิสความตั้งจิตมั่นก็เกิดขึ้นเห็นไหมตรงนี้พระเจ้าจึงกล่าวอะไร สรุปประเด็นก็คือสมาธิฏฐิสมมาสักปะสมมาวจาสมมากรรมตะสมาชีวะสัมมาวิมมุตติสมาสมาธิเกิดขึ้นเนี่ยเพราะอะไรภิสูจทั้งหลายปัจจัยที่เป็นความเกิดขึ้นเห่งสมาธิฏฐิสอประการนะหปารโตโคสะสโยนิโสมนัสิการถ้ากําหนดเป็นองค์ประกอบภายนอกเราไม่เล็งเห็นองค์ประกอบภายนอกอื่นแม้สักอย่างหนึ่งที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ใหญ่หลวงเหมือนกับกัลยาณมิตรเลยนั้นกัลยาณมิตรจึงเป็นทั้งหมดของชีวิตอันเปรื่อย โดยกำหนดว่าเป็นองค์ประกอบภายในเราก็ไม่เล็งหินองค์ประกอบแม้สักอย่างหนึ่งที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่เหมือนโยนิโสมณิสิการเลยฉะนั้นมีกัลยาณมิตรมีโยนิโสมณสิการเป็นปัจจัยเกืิอนหนุนแก่กันแล้วอริยมรรคมีองค์8ที่ไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญไปบูนยิ่งยิ่งขึ้นไปจนสามารถทําลายกิเลสและกองทุกข์เป็นต้นได้นี่เห็นหรือยังเนี่ยลักษณะนี้ก็จะได้เห็นบอกว่ า, วาปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐินั้นแสดงความหมายว่า เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการเขาเรียกว่ากระบวนการฝึกฝนทั้งพฤติกรรมจิตใจและปัญญาเขาเรียกกระบวนการศึกษาเนี่ยเองหรือเรียกว่าปุัภพภาคของการศึกษา ป, ปรัภพภาคของพฤติกรรมทางกายวาจาใจเพราะเป็นบ่อกเกิดของสมาธิิเป็นแกนนําเป็นต้นทางและเป็นตัวยืนเห็นกระบวนการเห็งการศึกษาใช่ไหมโยนิสมวนิสการเนี่ย <S <S จึงเป็น <S <S สิ่งที่สําคัญมาก ต th ัวนโยสมในการมีหลายอย่างนะการคิดสาวหาเหตุปัจจัยยังไงนั่นเราว่ากันอีกทีพอชัดเจนไหมมีอะไรทำไหมเนี่ย แต่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องใช้ให้เป็นเอาไปใช้ให้ได้จริงๆเอามาปฏิบัติได้จริงในชีวิตจริงนะปัจจุบันนี้ไม่ใช่เป็นการฟังแล้วไปปฏิบัติชาติหน้าหรือไม่ไม่ใช่ฟังแล้วไปปฏิบัติพวกนี้หรือไม่ใช่ฟังตอนนี้เอาไปปฏิบัติชั่วโมงหน้าตอนนี้เดี๋ยวนี้ขณะ น, นี้สามารถทําให้มีให้เกิดขึ้นได้จริงหลักการคืออย่างนี้ ใช่ไหมล่ะหลายๆคนก็คิดฟังเอาบุญมื่อกลายไปเป็นเรื่องเลยก็เลยใช้ไม่เป็นปฏิบัติไม่เป็นพราะเพอถึงมรรคแไม่รู้จะปฏิบัติยังไงทั้งๆ ท, ที่มันเป็นเรื่องของชีวิตจิตใจหนึ่งเรามีพฤติกรรมไหมทางกายทางวาจาแสดงออกกันอยู่แล้ว2เรามีจิตใจไหมสา ม, มีทัศนคความเห็นไหมพฤติกรรมก็ให้ตัวกุศลศีลมาตัวกํากับด้านจิตใจก็ให้กลุ่มสมมายิมุสมาสติสมา ส, สมาธิกากับ สถานะความเห็นก็ให้สมาธิฐีสมาสังกปะกำกับใช่ไหมล่ะด้านพฤติกรรมทางกายก็ทางวาจาก็ให้ทางกายก็ให้สมาทางวาจาก็ให้สมาวจาทางกายสมมากรรมตะการดําเนินการเลี้ยงชีพก็ให้สมาชีวะสมาวจาสมมากรรมตะสมาอาชีวะก็เป็นศีลใช่ไหมก็กํากับพฤติกรรมทางกายทางวาจาและอาชีพให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามนะใช่ไหมสมาวิมาสมาสติสมาสมาธิก็กํากับที่จิตใจ ให้เป็นให้ได้คุณภาพสมรรถภาพและความสุขสัมมาสังกปะสมาธิฏฐิกับสัมมาสังกปะก็กำกับทัศนคความเห็นไม่วิปริตผิดเพี้ยนให้เป็นไปกับความเห็นที่ถูกต้องดีงามหลักการก็มีแค่นี้เองก็การพฤติกรรมด้านจิตใจก็ด้านปัญญามีแค่นี้แหละใช่ไหมก็เอามรค8มากำกับด้านพฤติกรรมก็ใช้สัมมาวจาสัมมากมุตตาสัมมาชีวะด้านจิตใจก็สัมมาวยามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ ทัศนคความเห็นก็ให้ส ม, มาทิฐิเห็นชอบส ม, มาสังกปะดําดริีชอบให้มาจำกับก็ดําเนินชีวิตในชีวิตจริงนี่แหละให้มันเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงใช่ไหมละ่ะไม่ใช่เอาไปใช้วันพุ่งนี้ไม่ใช่เอาไปใช้เดือนหน้าไม่ใช่ไว้ปีหน้าหรือชาติหนาตอนนี้ขณะดนี้เอาไปใช้ได้ฟังให้เกิดความเข้าใจและปฏิบททัติให้มันถูกใช่ไหมละ่ะยากไหมแบบเนี้ เมื่อกี้ก็ยกตัวอย่างแล้วไงพระธานทีนี้ในตัวกระบวนการในตัวโยนิโสมนสิการ <c oughs> ตัวโยนิโสมนสิกาละ <c oughs> วิธีคิดเนี่ยนะที่จะเป็นปัจจัยแก่สมาธิเนียอย่างการคิดสาวหาเหตุปัจจัย หือพิจารณาปรากฏการณ์ต่างๆให้รู้จักสภาวะตามที่มันเป็นจริงหรือพิจารณาปัญหาหนทางแก้ไขสืบสวนเหตุปัจจัยที่สัมพันธ์สืบทอดกันมาแยกสออย่างนะคิดแบบปัจจัยสัมพันธ์ถ้าคิดแบบปัจจัยสัมพันธ์คือไงคือเมื่อพบเห็นปรากฏการณ์หรือเรื่องที่พิจารณาอย่างหนึ่งอย่างใดปุ๊บก็มองย้อนสืบสาวชักโยงไปถึงปจัจจัยต่างๆทั้งหลาย ที่เข้ามาสัมพันธ์ให้เกิดผลเช่นพระพุทธเจ้าตรัสสอนบ่อยๆก็คือว่าให้พิจารณาว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นว่าการคิดแบบปัจจัยสัมพันธ์เนี่ยเช่นอวิชชาปัจจญาสังขาราสังขาราปัญญาวิญญาณวิญญาณปัจญ า, า, า, า, านามาโลปาวิโตนใช่ไหมคิดสาวหาเหตุ ป, ปัจจัยเอาอย่างยกตัวอย่างเช่นว่า เวลาเราเราคนบางคนเวลาเขาโกรธเนี่ยเขาไม่พอใจไอ้คนที่โกรธและไม่พอใจและแสดงพฤติกรรมออกมาประทุษร้ายทั้งหลายคนอื่นเนี่ยมันมาจากอะไรเนี่ยอืความโกรธทั้งหลายเหล่าเนี้ถ้าคิดแบบปัจจัยสัมพันธ์เนี่ยความโกรธมีเนี่ยมันมาเพราะอะไรนะ มันมาจากอะไรมันมาจากการคิดผิดใช่ไหม Rodriguez? คนคนนี้ทำความเสียหายให้กับเรากำลังทำความเสียหายให้กับเราคนคนนี้เคยทำความเสียหายกับเราคนคนนี้จักทำความเสียหายให้กับเราคิดแบบนี้ความโกรธเกิดไหมคนคนนี้เคยทำความเสียหายให้กับคนที่เรารักคนคนนี้กำลังทำความเสียหายกับคนที่เรารัก คนคนนี้จักทําความเสียหายให้คนที่เรารักโกรธได้ไหมคนคนนี้เคยทําประโยชน์ให้กับคนที่เราเกลียดคนคนนี้กําลังทําประโยชน์ให้กับคนที่เราเกลียดคนคนนี้จักทําประโยชน์ให้กับคนที่เราเกลียดโกรธได้ไหมคิดแบบเนี้ยมากไปกว่านั้นอากาศร้อนโกรธได้ไหมใบไม้ร่วงโกรธได้ไหม ได้หมดแหละเพราะเป็นการตั้งอโยนิโสมนัสนรรการไปคิดเขาเรียกว่า ค, คิดถึงส่วนที่ไม่ดีไปมานัสการถึงจุดด้อยของเขาเห็นไหมไอตัวการคิดในรักเพราะเพราะสิ่งนี้มีเพราะคิดแบบนี้โทสะมันจึงเกิดพอมานัสการอย่างนี้เพราใส่ใจผิดแบบนี้โทสะที่ยังไม่เกิดมันก็เกิด ถ้ายิ่งใส่ใจมากเท่าไรวนหลวบ ก, กับความคิดอย่างนี้เมื่อไรความโกรธที่เกิดขึ้นแล้วมันก็พกพานออกมาเลยมองเห็นยังไอาการคิดทั้งเหตุปัจจัยสัมผัสทัเหมือนเราเห็นคนที่เขามีปฏิกิริยาทั้งหลายนี้โอ้ยความโกรธความคิดแบบนี้มันมาจากอะไรเนี่ยมันมาจากความไม่รู้ใช่ไหมล่ะมันมาจากไ อ, อ, อมิจฉาทิฏฐิไงโมหะโมหะไงถ้ามีสัมมาทิฏฐิเสียมันจะคิดแบบนี้ไหม เนี่ยเพราะมีมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเราเึิคิดอย่างนี้ไอ้ที่มีมิจฉาทิฏฐิอย่างนี้เพราะเขารับข้อมูลอะไรมาแต่เนี้ยมีอโยนิโสมนัสการอะไรอ๋อเพราะไม่ฉลาดคิดไม่คิดไม่ถูกทางไม่ถูกวิธีไม่ถูกอุบายไอย้คิดไม่ถูกทางไม่ถูกทีไม่ถูกอุบายงลายเพราะเขาได้ปัจจัยอะไร <ST S> เห็นไหมอย่างแต่เนี้ยไอ้ปัจจัยสัมพันธ์พวกเนี้ยถ้าเราคิดแบบนี้ได้เราจะเห็นอ๋อมันมาจากการปราปะมิตรยังไงฟังข้อมูลที่ผิดผิดพลาดพลาดมีทัศนคติที่ผิดยังไง เพราะเมื่อมีทัศนคติมีอายนิสโสมนัสการมิจฉาทิฏฐิเกิดเพราะมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นมา <c oughs> ก็เลยการไปมนัิการผิดก็อีกมนัิการผิดขึ้นมาไปดัมบีเป็นพยพาพอเป็นมิจฉาทิฏฐิปุ๊บก็เป็นมิจฉาสังกปรากใช่ไหมพอมิจฉาสังกปรากพอดริเป็นในทางพยาบาทขึ้นมาปุ๊บเขาพูดไหมคำพูดชั่วก็ออกมาพอคำพูดชั่วออกมาการกระทําชั่วก็ออกมาอาชีพชั่วก็ออกมา เพี้ยนชั่วก็กล่อมาระลึกผิดก็ตามมาตั้งมั่นผิดก็ตามมาเนี่ยแล้วก็เห็นผิดก็วนลูบโอ้โหตอนนี้หมุนเลยเห็นปัจจัยสัมพันธ์นี่ยังอย่างนี้เป็นต้นนี่เห็นไหมการกระบวนการความคิดมันเป็นแบบนี้สมควรเก็บไวล้า ย, ยังมีอะไรจะถามไหม <c oughs> เดี๋ยวนั่งสงบกันสักพักหนึ่งเจะได้นั่งหายใจยาวๆสักพักหนึ่งแล้วก็นั่งสงบเราจะได้อุทิศ ส, ส่วนกุศล